สุภกรรมฐานในสมถกรรมฐานถ้าหากเราสามารถนึกถึงพุโทโธและจิตสว่างสงบลงไปเป็นสมาธิตามลำดับขั้นเราสามารถที่จะทรงตัวอยู่ในสมาธิได้เป็นเวลานานๆ น, น, นั่นคือจิตของเราถึงพุโทโธธรมโมสังโฆอย่างแท้จริงสมาธิเนี่ยทำไปเถอะ แม้ว่าเวลาค่าวันนี้เราจะภาวนาจิตไม่สงบ ก, ก็ตามจิตของเราจะสะสมกําลังเอาไว้ทีละน้อยทีละน้อยในเมื่อได้จังหวะพร้อมขึ้นมาเมื่อไหรความสงบจะเกิดขึ้นอาตมาเคยนั่งภาวนาอยู่ตั้งสิบชั่วโมงอยากจะรู้ว่าความตายคืออะไรตลอดเวลาสิบชั่วโมงนั้นความรู้ความเห็นอะไรไม่เกิด ยาว่าแต่ความรู้ความเห็นจะเกิดเลยแม้แต่ความสงบสักนิดก็ไม่มีมีแต่ความฟุ้งซ่านรำคาญแต่ตั้งใจแน่วแน่ ว, ว่าจะนั่งภาวนาดูความตายก็อดทนไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่เกิดผลอะไรทีนี้เมื่อจวนจะสว่างรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเต็มทีก็เอนกายนอนลงไปด้วยความทอดอะไรตายยาก แต่วิสัยของนักปฏิบัิ n ั้นจะนอนตายเปล่าๆโดยไม่นึกถึงอะไรนั้นยอมเป็นไปไม่ได้เพราะเราเคยกำหนดดูลมหายใจหรือสิ่งที่รู้ในจิตในใจมาจนชมนิชนานาญแล้วก็ย่อมมีการกำหนดลมหายใจเข้าออกพอเกิดมีการเคลิ้มหลับลงไปจิตก็พุ่งออกจากร่างกายแล้วก็ส่งรัศมีมาดูร่างกายซึ่งนอนยาวเหยียดอยู่ ในระยะแรกก็มองเห็นผ้าสบงจีวรห่มอยู่ในตัวเรียบร้อยในท่าที่นอนอย่างสบายสบายแต่ในเมื่อจิตรู้จริงเห็นชัดขึ้นมาแล้วสบงจีวรไม่มีปรากฏว่ามีแต่ร่างกายเปล่าๆในเมื่อมาพิจารณาดูแล้วช่างสมกับคำที่ว่าคนเราเนี่ยเวลามาก็มาแต่ตัวเวลาไปก็ไปแต่ตัวเปล่าๆ เมื่อจิตมันแสดงอาการตายให้ดูแล้วมันเป็นอย่างนั้นในอันดับต่อไปร่างกายก็เริ่มขึ้นอืดและมีน้ำเหลืองไหลเหี่ยวแห้งไปเนื้อหลุดออกหมดยังเหลือแต่โครงกระดูกแล้วโครงกระดูกก็สลายตัวไปจึงยังเหลือแต่ผงกระดูกมองเห็นแต่เป็นผงโปรยอยู่บนพื้นดินผลสุดท้าย ผงกระดูกนั้นก็หายวับไปในแผ่นดินในขณะนั้นมองไม่เห็นอะไรเลยโครงกระดูกก็ไม่มีในที่สุดแผ่นดินที่มองเห็นก็หายไปยังเหลือแต่สภาวะจิตที่ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นแล้วภายหลังผงกระดูกก็ผุดขึ้นมาอีกแล้วต่อกันเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ประสานกันจนเป็นกระดูกเต็มส่วน ในระยะแรกกระดูกศีรษะกระโดดพรึบเข้ามาวางลงกระดูกคอกระดูกสันหลังกระโดดเข้ามาติดต่อกันตามหน้าที่กระดูกสะโพกกระดูกหัวไหล่กระดูกแข้งกระดูกขากระดูกมือกระโดดเข้ามาจนประสานกันเป็นโครงร่างมองเห็นขาวสะอาดและเมื่อโครงกระดูกมันต่อกันเป็นโครงร่างขึ้นมาแล้วเนื้อเริ่มงอกขึ้นมาตามโครงกระดูกทีละน้อยทีละน้อย กระทั่งสมบูรณ์เต็มที่แล้วหนังก็เกิดขึ้นมาแล้วขนก็ปรากฏขึ้นมาจนกระทั่งมีร่างกายสมบูรณ์เต็มแล้วแต่ก็มองเห็นเปลือยเปล่าไม่มีอะไรปกปิดนี่คือการตายที่ปรากฏขึ้นในนิมิตและในขณะที่นิมิตปรากฏนั้นในตัวไม่มีความรู้สึกจิตก็ยังอยู่อีกส่วนหนึ่งร่างกายที่เป็นเครื่องรู้ของจิตก็อยู่อีกส่วนหนึ่ง คล้ายๆกับไม่มีส่วนสัมพันธ์กันเลยอันนี้คือนิมิตที่เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติสมถะในส่วนที่เป็นอสุภกรรมฐานหรือในส่วนที่เป็นสมถกรรมฐาน